จนเกษียณในงาหนึ่งก็รู้สึกเบาสบายแต่ว่าหลังจากนั้นก็รู้สึกเหงาเพราะไม่มีอะไรทําเที่ยวสนุกสนานไปช็อปมันก็ได้ช่วงเวลาหนึ่งนะหลังจากนั้นก็เบื่อคนเราเนี่ยถ้าไม่มีอะไรทําเนี่มันก็หงอยเหงาได้ง่ายแต่ก็มีบางคนนะ พอเกษียณแล้วนี่จะพบได้ทำสิ่งที่ชอบก็ mm hmm. รู้สึกมีชีวิตช mm ีวาจะเรียกว่าได้ทำตามความฝันก็ได้ ท, ทั้งที่อายุมากนะแต่ว่าจิตใจนี่กลับมีชีวิตชีวาเพราะได้ทำสิ่งที่ตัวเองรักอาจจะมันกบว่าชีวิตเริ่มต้นใหม่ก็ได้นะ อย่างที่หลายคนเนี่ยชีวิต เ, เขาเริ่มต้นใหม่เมื่ออายุ60 65หรือ70ก็ได้มีอาจารย์คณะรัฐศาสตร์คนหนึ่งนะอาจารย์ทิพาพรจบด็อกเตอร์มาทาง้านรัฐศาสตร์พอเกษียณแล้วก็รวมกับสามีนะ ไปทำสิ่งที่ตัวเองเนี่ยฝฝันนะก็คือการปลูกต้นไม้ปลูกป่าฝันว่าจะมีบ้านกลางป่าก็สาหานะัสปลูกต้นไม้ในพื้นที่ของตัวเองก็ดูแ ล, ล ก, ก็ปงขงต้นไม้ เหนื่อยก็เหนื่อยนะแต่ว่ามีความสุขใจผ่านไปสิกบกว่าปีนะหลังกเกษียณนี่โอ้บอกกว่าได้บ้านกลางป่าสมใจนะแล้วก็มีความสุขนะที่ได้มีส่วนช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวอนุรักษ์ป่าตอนนั้นที่เป็นที่ส่วนตัวแต่ว่าคุณที่ระพอที่ทำมากกว่า น, นั้นนะ เธอเป็นคนที่สนใจเรื่องของศิล ป, ปะแล้วก็พบ ว, ว่าเนี่ยธรรมชาตินี่มีความงดงามแล้วก็เป็นศิลปินอยู่ในตัวนะศิลปินนี่หมาถึงธรรมชาตินะแล้วก็ได้ทดลองทำผ้าพิมพ์ลายใบไม้ลองผิดลองถูกนะใบไม้นี่ก็ใบไม้ธรรมดา จากพื้นที่หรือป่านะในบ้านของตัวเนี่ยพัฒนาเทคนิคจกนกระทั่งนะได้ภาพพิมพ์ลายใบยไม้ที่สวยงามภาพพิมพ์ลายใบยไม้นี่คือการถ่ายสีแล้วก็ลวดลายนะของใบไม้ของดอกไม้เนี่ยลงไปในผ้าผ้าธรรมดาๆรรสีขาวเนี่ยพอ ถ่ายสีถ่ายลวดลายของใบไม้นี่ลงไปนี่มันกลายเป็นงานศิลปะขึ้นมาเลยเพราะว่าสีสันนี่หลากหลายมากแล้วเธอก็พบใความอัศจรรย์อย่างหนึ่งนะก็คือว่าใบไม้เนี่ยแม้วันจะมีสีเขียวเขียวเข้มบ้างสีอ่อนสีอ่อนบ้างเขียวอ่อนบ้างหรือบางทีก็สีแดง สุดแท้แต่ฤดูกาลเนี่ยแต่พอทำภาพพิมพ์หลายใบไม้เนี่ย <c oughs> ก็พบ ว, ว่าใบไม้พวกนี้มันซ่อนสีต่างๆไว่มากมายที่ไม่เห็นด้วยสายตานะแต่พอมาทําภาพพิมพ์เนี่ยสีต่างๆนี้ก็แสดงตัวออกมาเนี่ยอย่างใบสักเนี่ยนะเราก็เห็นมันเป็นสีเขียวเขียวเข้มบ้างเขียวอ่อนบ้างบางทีก็ สีแดงเวลามันแห้งแต่ทอพอทำาภาพพิมพ์ลายใบไม้นี่ที่มีสีม่วงนะสีเหลืองสีน้ำตาลนะออกมาออกมาจากไหนนะก็ออกมาจากใบไม้เทคนิคที่เธอทำนี่ก็ไม่ได้ยากอะไรนะวัสดุก็วัสดุง่ายๆเอามาทำเป็นน้ำสนิมน้ำสมสายชูน้ำขี้เถ้า เอาผ้ามานึงมาต้มโดยมีใบไม้นะที่ก็หยิบมาโดยไม่ต้องเลือกสรรอะไรอะพอมาทำด้วยความใส่ใจนะมันก็มีสีสันต่างๆอย่างที่ข้ามไม่ถึงนะแล้วก็น่าถึงมากจนทั้งคนที่สนใจเนะี่ยมาเรียนบางทีก็มาเรียนเพื่อไปงานดิเลกแต่บางคนก็มาเรียนเพื่อจะเอาไปทำผ้า ลวดลายใหม่ในเชิงพนนันธย์และประสบการณ์ของเธอเนี่ยพบว่าเนี่ยธรรมชาติเนี่ยมันน่าทึ่งมากนะมีความเป็นศิลปินแทรกซึมอยู่ในใบไม้ในดอกไม้ทำให้เธอเนี่ยรักแล้วก็เคารพธรรมชาติมากขึ้นทั้งที่ใบไม้เนี่ยที่ให้สีสันสวยงามเนี่ยมันก็มาจาก ต้นไม้ที่ธรมธรมดาธรรมดาแต่ว่าพอเอาสีเอาลายนี่มาถ่ายเทลงไปบนผ้าธรรมดาธรรมดานี่ผ้ามันกลายเป็นไม่ธรรมดาขึ้นมาผนหะงานเธอนี่ก็คนก็สนใจนะอยากซื้ออยากหาแล้วกลายเป็นของมีค่ามีราคาขึ้นมาแต่ว่านั่นไม่ใช่ประเด็นสําคัญประเด็นสําคัญคือว่าเนี่ย คุณพรธิพ า, พพาพว่าเนี่ยธิพาพรเนี่ยว่าเนี่ยมันได้เห็นนะถึงความของารธรรมชาติและสิ่งอย่างสิ่งหนึ่งที่ที่เป็นบทเรียนสำคัญนะนอกจากที่พูดมาเนี่ยก็คือว่าใบไม้เนี่ยสีสันที่เขาให้มาเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยนะถ้า คนละฤดูกาลเนี่ยหน้าฝนก็สีหนึ่งหน้าร้อนก็สีแบบหนึ่งถ้าหนาหนาวก็สีแบบหนึ่งแม่กทั้งเวลานะที่เอามาเอามาทำเนี่ยเวลาเช้าเอามาต้มมาหนึ่งก็ให้สีหนึ่งเอาเวลาบ่ายพอมาต้มมาหนึ่งก็สีก็เปลี่ยนไปแล้วก็สวยทั้งนั้นแต่ว่าบางครั้งเนี่ย หลายคนจะพบว่าตอนทำเนี่ยนะครั้งแรกนี่ก็อาจจะได้สีที่ถูกใจนะสีชมพูสีม่วงแต่พอมาทำอีกครั้งหนึ่งเนี่ยทั้งๆ ท, ที่เป็นใบไม้จากต้นเดียวกันเนี่ยสีมันเปลี่ยนไปแล้วและหลายคนก็นเสียใจนะว่า ไอ้สีที่ออกมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปนอย่างที่คาดหวังไม่เหมือนเมื่อวานนี้เลยนะเมื่อวานนี้สีชมพูนะสีม่วงแต่วันนี้สีเปลี่ยนไปมันก็สวยเหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่ถูกใจคนทำก็เกิดความผิดหวังคุณที่พาพร บ, บอกว่าเนี่ยจริงๆเนี่ยที่ผิดหวังเพราะอะไรนะ เพราะว่าไปคาดหวังจากธรรมชาติโดยที่ไม่เข้าใจเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยคืออะไรนะเหตุปัจจัยคือว่าต้นไม้แต่ละต้นใบแต่ละใบรวมทั้งเวลาที่เอาเข้ามาเนี่ยแม้กระทั่งความเป็นกดเป็นด่างของน้ำหรือความร้อนอุณหภูมิเนี่ยในระหว่างการ หนึ่งการต้มเนี่ยผู้ที่มันเป็นเหตุปัจจัยนะที่เราคุมไม่ได้และถ้าเราคาดหวังเนี่ยเราจะทุกข์ได้ง่ายเพราะว่าผลลัพธ์ของธรรมชาติเนี่ยมันไม่อยู่ในวิสัยที่เราจะควบคุมได้คุณที่ยพาพารพูดดีนะบอกว่าเนี่ยธรรมชาติไม่ยอมให้เราควบคุมนะ ธรรมชาตินี้ไม่ยอมให้เราควบคุมให้เป็นไปตามใจเรามันจะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามใจเราหรือที่ถูกใจเราแต่มันจะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยและถ้าเข้าใจเหตุปัจจัยนะก็จะไม่คาดหวังจากผลลัพธ์สุดแท้แต่ว่าธรรมชาตินี้เขาจะให้สีอะไรมาหรือสุดแท้แต่ เหตุปัจจัยในกระบวนการผลิตนะกระบวนการเรื่องการต้มนะผู้อย่่งนี้คือว่าเนี่ยเวลาทำภาพพิมพ์ลายใบไม้เนี่ยต้องรู้จักปล่อยวางคุณที่พระพรไม่ได้ใช้คำนี้นะแต่ว่าความหมายก็คล้ายๆกันคือว่าต้องเลิกคาดหวังไม่พยายามควบคุณผลลัพธ์ พรถ้าควบคุมผลลัพธ์แล้วเนี่ยนะมันก็คือการทําด้วยความอยากการทําด้วยความคิดปรุงแต่งโดยที่ไม่คํานึงถึงเหตุปัจจัยแต่ถ้าคํานึงถึงเหตุปัจจัยหรือเข้าใจเรื่องเหตุปัจจัยเนี่ยมันจะไม่มีความคาดหวังพราะรู้ว่ามันไม่ได้อยู่ในอํานาจของเราอย่างที่คุณที่ย์ป า, าพันาพื่อวันธรรมชาติเนี่ยเขาไม่ยอมให้เราควบคุม เพราะเขาก็มีเหตุปัจจัยของเขางนั้นถ้าเกิดว่าทำผ้าลายทำผ้าพิมพ์ลายใบไม้เนี่ยทำด้วยใจที่ไม่คาดหวังเนี่ยไม่ว่าผลรับจอออกมาอย่างไรก็จะมีความสุขนะจะมีความสุขแต่ถ้ามีความคาดหวังมีความพยายามจะไปควบคุมให้เป็นไปอย่างใจเราเนี่ย จะมีความทุกข์แลวที่จริงแล้วเนี่ยสีของใบไม้เนี่ยมันจะเป็นสีอะไรก็ตามเนี่ยมาไม่เป็นเหตุแห่งทุกข์นะเหตุแห่งทุกข์คืออะไรคือความอยากของเราคือความคาดหวังของเราอุยนี่เป็นธรรมะจริงๆเลยนะคนเราทุกข์เนี่ยไม่ใช่เพราะมีอะไรเกิดขึ้นกับเราไม่ใช่เพราะว่ามันมีผลลัพธ์ เกิดขึ้นมากหรือน้อยนะแต่เป็นเพราะใจเราเป็นเพราะความคาดหวังของเราคนที่เลี้ยงแมวเนีะถ้าเลี้ยงแมวเนี่ยด้วยความคาดหวังนี้จะทุกข์มากเลยเพราะว่าแมวเนี่ยไม่เป็นไปตามความคาดหวังของเราแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยเลี้ยงแมวแล้วไม่มีความทุกข์นะเพราะว่าไม่ได้คาดหวังอะไรจากแมวเลี้ยงแล้วมันไม่มา ก็ไม่ได้เสียใจไม่ได้โมโหเลี้ยงเขาดีแต่เขาไม่พนนอพนอก็ไม่ทุกนะเพราะว่าไม่ได้คาดหวังอะไรจากเขาแต่ทางตรงข้ามนะถ้าเราไปคาดหวังกับคนนะเราจะทุกเลยเราจะทุกที่เขาไม่เป็นไปดังใจเราดงั้นความทุกเนี่ยเหตุของมันเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานะแต่ คือความคาดหวังของเราความอยากของเราเนี่ที่ปราจนะรารนาจะให้สิ่งต่างๆเนี่ยมันเป็นไปตามใจเราอันนี้ก็เป็นนี่คุณที่พะพรพูดมาเนี่ยนะว่าธรรมชาติเนี่ยมันไม่อนุญาตให้เรามาควบคุมเขาเนี่ยเวลเาทำาภาพิมพ์ลายใบไม้เนี่ยเราจะมีความสุขนะ ได้ง่ายนะถ้าเราไม่คาดหวังจากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นไม่พยายามไปควบคุมให้เป็นไปดังใจเราแต่ว่าใส่ใจนะมันต้องทำด้วยความใส่ใจและถ้าหากว่าทำด้วยความใส่ใจเนี่ยแม้จะไม่ปรารถนาผลลัพธ์เนี่ยมันก็จะออกมาสวยนะคณที่พาพาผู้อย่างหนึ่งนะคือว่าเนี่ย ให้าภาพพิมพ์ลายใบไม้เนี่ยผลงานที่ออกมาเนี่ยมันสะท้อนจิตใจของเราถ้าใจเรายุ่งเหงื่อสับสนนะผ้าก็าออกมาแบบหนึ่งไม่สวยแต่ถ้าใจเราสงบใจเราไม่คาดหวังนะผ้าจะออกมาสวยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทำํำภาพพิมพ์ลายใบไม้เนี่ยมันจะไม่ใช่แค่ได้ผลงานที่สวยหรือผลงานที่ เป็นศิละปะเท่านั้นนะมันยังทำให้เราได้เห็นจิตใจของตัวเองด้วยผลงานที่ออกมานี่มันสะท้อนหรือมันฟ้องว่าใจเราเป็นอย่างไรแต่ไม่ว่าใจเราเป็นอย่างไรนะมันก็ดีทั้งนั้นนะคุณที่มาพรว่าเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะฟ้องหรือมันสะท้อนว่าใจเราเนี่ยกำลังวุ่นวายใจกำลังคาดหวังใจกำลังพยายามควบคุมแต่ที่จริงแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะ เห็นว่าใจของเราเป็นอย่างไรดีทั้งนั้นสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยคือการเรียนรู้เรื่องใจของเราแม้ว่าใจของเราเนี่ยมันจะเป็นบวกเป็นลบมันจะยุ่งเหยิงสับสนหรือว่ามันจะสงบดีทั้งนั้นนะเพราะมันทำให้เราได้รู้จักตัวเองและถ้าเราได้รู้จักตัวเองมากเท่าไหร่นะรู้จักจิตใจตัวเองมากเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะเป็นค น, คนที่มีความสุขได้ง่าย เพราะเราถึงที่สุดแล้วก็จะพบว่าเนี่ย<ม>เหตุแห่งทุกข์หรือสุขเนี่ยก็อยู่ที่ใจเรานี่แหละอยู่ที่ว่าเรามีความคาดหวังมีความปรุงแต่งมากน้อยเพียงใดผู้ฟังแล้วเนี่ยก็รู้สึกเลยนะว่าเนี่ยในการทำํำภาพพิมพ์ลายใบไม้เนี่ยมันสามารถจะเป็นการภาวนาได้เลยนะมันไม่ใช่แค่เพียงทําให้มีภาพที่สวยงามแต่ว่ามันยังสามารถจะ ทำให้เราได้เรียนรู้จิตใจของเราและทำให้เราเนี่ยได้มีโอกาสขัดเกลาวจิตใจของเราขัดเกลาวจิตใจด้วยการวางความคาดหวังและยอมรับผลที่เกิดขึ้นว่ามันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแล้ยิ่งําเนี่ยก็จะเข้าใจเรื่องเหตุเรื่องปัจจัยและพอเข้าใจเรื่องเหตุเรื่องปัจจัยนะมันก็ไม่คาดหวังแล้ว เพราะรู้ว่าเหตุปัจจัยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันไม่อยู่ในการควบคุมของเราได้เนี่ยอย่างที่บอกนะโอ้มันขึ้นอยู่กับเวลาที่เอาใบาไม้มามาทำขึ้นอยู่กับต้นไม้ขึ้นอยู่กับฤ ด, ดูกาลขึ้นอยู่กับความเป็นกฎเป็นด่างของน้ำขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่ใช้ในการดึื่การต้นพวกนี้เหตุปัจจัย ที่ไม่อยู่ในการควบคุมของเราได้แต่เราก็เป็นส่วนหนึ่งนั่นในการเป็นเหตุเป็นปัจจัยแต่ความพยายามของเราเนี่ยมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของเหตุปัจจัยถ้าเข้าใจตรงนี้เนี่ยก็จะรู้เลยว่าเนี่ยทุกอย่างเนี่ยผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยนะมันไม่สามารถจะเป็นไปตามใจของเราได้ ถ้าเห็นแบบนี้นะมันก็คือการปฏิบัติธรรมนั่นแหละที่ท้าจากพุทธาว่าการทำ ง, งานคือการปฏิบัติธรรมเนี่ยโอ้มันแสดงออกมาจากการทำภาพภา พ, พิมพ์ลายใบไม้นี่ได้ชัดเจนมากนะนอกจากต้องทำด้วยสตินะนอกจากทำด้วยความรักเคารพในธรรมชาติแล้วเนี่ยมันต้องมีความเข้าใจในเรื่องเหตุเรื่องปัจจัยแล้วก็ตระหนักว่าในความคาดหวังของเรานี่แหละ ความอยากของเรานี่แหละที่มันจะเป็นเหตุแห่งความทุกข์ถ้าอยากจะทำโดยไม่มีความทุกข์นวก็ต้องวางความคาดหวังแล้วก็เข้าใจเรื่องเหตุเรื่องปัจจัยให้มากแล้วก็ฝั่งที่คุณทิพาพรเล่าแล้วเนี่ยนะผมมันก็เห็นเลยว่าการทำงานเนี่ยถ้าเราทำเป็นนะมันไม่ใช่เป็นแค่ การสร้างสรรภายนอกนะแต่มันสามารถที่จะเป็นการสร้างสารุกร่งเก่าภายในได้การปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็เลยมีความหมายที่กว้างนะมันไม่ใช่เพียงแค่มาเดินจงกลมมาสร้างจังหวะแม้เราจะทำงานศิละปะเนี่ยก็กลายเป็นการปฏิบัติธรรมได้ไอ้ที่จริงเนี่ยก็เหมือนกับที่คนญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้การชงชาเนี่ย มาเป็นการปฏิมาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติธรรมหรือว่าบางแห่งบางที่เช่นโรงเรียนฉือจีเนี่ยเขาใช้การจัดดอกไม้นี่มาเป็นการกล่อมกล่าวจิตใจแม้กระทั่งเรียนหมอเรียนพยาบาลนะยังต้องมาเรียนวิชาจัดดอกไม้เลยนะในหมหาวิทยาลัยของฉือจีเนี่ยที่ไต้หวันเนี่ยมีที่ไหนกันนะนักเรียนแพทย์นเนี่ยมาเรียนจัดดอกไม้ มันควรจะเป็นเรื่องของอนักเรียนศิลปะมากกว่าแต่ชื่อเจี๊ก็เห็นว่าเนี่ยจัดดอกไม้นี่แหละนะมันไม่ใช่แค่ดอกไม้ที่สวยงามนะแต่ว่ามันเป็นการจัดใจอันนี้มันทําให้เราเห็นมิติของการปฏิบัติธรรมทิศกว้างนะแล้วขณะเดียวกันก็ทําให้เราเห็นว่าการทํางานเนี่ยกับการปล่อยวางเนี่ยมันไปด้วยกันได้นะ สิ่งที่คุณที่พาพอรพูดเนี่ยคือการทํางานด้วยใจที่ปล่อยวางปล่อยวางที่นี่คือปล่อยวางความคาดหวงังแต่ว่าไม่ใช่ปล่อยไปแล้วเลยนะมันต้องทําด้วยความใส่ใจด้วยทําด้วยความละเมียดละวังทำด้วยความร่าและงขรรถธรรมชาติแต่ปล่อยวางในผลลัพธ์เพราะว่าธรรมชาติเนี่ยไม่อนุญาตให้เราควบคุมเขาที่จริงมันไม่ใช่แค่ งานศิลปะอย่างภาพพิมพ์ลายดอกไม้นะการทำงานทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยจริงๆมันก็อยู่ในอยู่ในเรื่องเดียวกันนะ็คือว่างานทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็แม่นี่ให้เราควบคุมเหมือนกันเพราะงานส่วนใหญ่เนี่ยนะมันประกอบด้วยเหตุปัจจัยมากมายแม้จะทำคนเดียวนะเช่นงานช่างหรือว่างานทำอาหารปรุงอาหารเนี่ย เหตุปัจจัยก็เยอะไปหมดนะแลถ้าเราเข้าใจเรื่องเหตุปัจจัยเนี่ยเราก็จะรู้ว่ามันไม่อยู่ในอำนาจของใจเราได้เพราะนั้นเวลาทำงานเนี่ยนะทำให้ดีที่สุดใส่ความเพียรเข้าไปเต็มที่แต่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรเนี่ยมันไม่อยู่ในอำนาจของเรา เพราะนั้นไม่ใช่แค่ทำํำภาพพิมพ์ลายดอกไม้ด้วยใจที่ปล่อยวางนะทำงานอะไรก็ตามเนี่ยมันก็ต้องทําด้วยจิตใจแบบเดียวกันที่จริงเนี่ยมันไม่ใช่แค่ธรรมชาติที่ไม่อนุ ญ, ญาตให้เราควบคุมนะถ้ า, ามองไปให้ไกลนะผู้คนทั้งหลายเนี่ยที่เราเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยไม่ว่าใกลตัวหรือไกลตัวเนี่ยก็ไม่อนุ ญ, ญาตให้เราควบคุมนะ เ, เราไม่สามารถควบคุมค่าเป็นไปตามใจเราได้เพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์นะกับผู้คนทั้งหลายเนี่ยเราก็ต้องรู้จักเข้าใจเรื่องเหตุปัจจัยด้วยเราเจาใจของเราเป็นใหญ่ไม่ได้แต่ทุกวันนี้คนเรามีความทุกข์เพราะอะไรนะเรามีความทุกข์เพราะว่าเราพยายามควบคุมงานให้เป็นไปตามความอยากของเราทํางานด้วยความอยากทํางานด้วยความคาดหวังก็เลยทุกข์ เมื่อมันไม่เป็นไปตามความคาดหวังสัมพันธ์กับผู้คนก็ลงเอ่ยด้วยความทุกข์เพราะว่าเขาไม่เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังไม่อยู่ในอำนาจของเราเลยนะที่จะไปบังคับควบคุมใครได้ถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยมองให้ลึกเข้ามานะใจของเราเนี่ยมันก็เหมือนกันนะเวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราปฏิบัติธรรมเนี่ยหลายคนเนี่ย ก็พยายามมาคับใจนะให้เป็นไปอย่างที่ต้องการเช่นต้องการให้ใจมันสงบต้องการให้ใจมันหยุดฟุง้งแต่ใจเราก็เช่นเดียวกับธรรมชาตินะมันไม่อนุญาตให้เราควบคุมเวลาเราปฏิบัติธรรมถ้าเราทำด้วยความคาดหวังนะเราจะทุกข์มากเลยเพราะมันไม่สงบอย่างที่เราต้องการเมื่อวานนี้ทำแล้วอสบายโล่งโปรง่งรู้สึกตัว แล้วก็รู้ทันความคิดหรือว่าใจมันสงบมากเลยแต่วันนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วบางคนก็หัวเสียซึ่งที่จิมก็เป็นเช่นเดียวกับการทำภาพพิมพ์ลายดอกไม้นะเมื่อวานนี้ทำได้ลายสวยสวยเหลือเกินนะวันนี้ไม่สวยแล้วที่จิมมันก็สวยนะแต่มันไม่สวยอย่างที่เราคาดหวังนะเราอยากจะให้มันเป็นสีชมพูแต่มันดนเป็นสีม่วง เป็นสีเหลืองนะมันก็สวยของมันแต่พอเราไปคาดหวังว่าต้องเป็นสีชมพูเราก็เลยทุกข์นั้นความทุกข์เนี่ยสาเหตุของมันไม่ได้อยู่ที่ผลลัพธ์ที่ออกมาแต่อยู่ที่ใจของเรามากกว่านั้นถ้าเรารู้จักปฏิบัติทำด้วยใจที่ปล่อยวางน ะ, จะเจริญสติใจก็อยู่กับปัจจุบันทําปัจจุบันให้ดีที่สุดในความหมายที่ว่า อ, อยู่กับปัจจุบัน กายเคลื่อนไหวก็รู้ใจคิดนึกไปอย่างไรก็รู้มันจะหลงไปกี่ครั้งอ่ะเราก็หน้าที่เราคือรู้ทันมันมันจะไม่สงบยังไงก็เป็นเรื่องของมันแต่เราก็จะแค่ตามรู้ไปเรื่อยๆยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้ น, น, นถ้าเราปฏิบัติธรรมด้วยใจที่พยายามคาดหวังนะ บางทีเราจะแย่กว่าคนที่ทําผ้าพิมพ์ลายดอกไม้ด้วยใจที่ปล่อยวางก็ได้คนเหล่านั้นเนี่ยที่ทำผ้าพิมพ์ลายดอกไม้ด้วยใจที่ไม่คาดหวังพร้อมยอมรับนะทุกอย่างทุกสีที่ปรากฏเนี่ยบางทีเขาอาจจะปฏิบัติ ท, ทําได้ดีกว่าคนที่เดินจงกรมทั้งวันนะแต่ทําด้วยใจที่อยากใจที่พยายามบังคับความคิดและอารมณ์ก็ได้เพราะฉนั้นเนี่ยในการ การที่เราจะเลยรู้เรื่องของธรรมะเนี่ยบางทีเราก็สามารถจะเรียนรู้ผ่านการทำงานผ่านการทำงานศิละปะถ้ารู้จักใครครวนอาเจนี้ผูท้ทนนี้นะขอกราบพาพร้อมกัน